ปกติเวลามาเท้เนี่ยพอเทศจบเนี่ยคนถามนี่จะถามคนละเรื่องเลเป็นอี่แท้เป็นจจำไม่รู้ว่าเทศที่บรรยายไปเนี่ยเขาตงองบความสนใจเขาหรือเปล่าก็อาจจะเล่าตัวอย่างนี้ก็ได้ว่าตันนี้คนเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ ปรารถนาจะให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามีสุขภาพดีหรือว่ามีคนที่รู้ใจอยู่แวดล้อมมีโชคมีลาบมีความสำเร็จในการงานไปไหนก็ราบรื่น แต่ว่าในความจริงเนี่ยของชีวิตและของโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ราบลื่นไปตลอดเราหวังเอาหวังได้หวังจะเจอเจอสิ่งดีๆมีคนพูดถูกับสูกใจวาจาไพโร แต่ว่าเนื่องจากเราเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามใจเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นธรรมดาที่เราต้องเจอเจอสิ่งที่ไม่สะดวกราบรื่นเจออุปสรรคในชีวิต เจอความพักผ้สูญเสียเจอความเจ็บความป่วยทำการงานก็อาจจะเจอความล้มเหลวหรือว่ามีคนที่ไม่เข้าใจเราอาจถึงกับต่อว่าด่าทอเราด้วยซ้ำแต่แม้กันนั้นเนี่ย มันก็ไม่สำคัญเท่ า, า, า, า, า, า, าออกับว่าใจเราเป็นอย่างไรพูดง่ายๆสั้นๆคือว่าเจออะไรก็ไม่สำคัญเท่าใจเราเป็นอย่างไรเจอสิ่งแย่ๆแดดร้ออากาศหนาวเสียงดังคนไม่น่ารักแต่ว่า เราก็สามารถจะเป็นสุขได้เป็นปกติได้ถ้าเรารู้จักวางใจหรือว่าถ้าเรามีคุณภาพจิตมีทางตรงข้ามแม้จะเจอสิ่งดีๆเจอโชคเจอลาแต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเราก็ทุก เราไปห้างสปปรรพสินค้ามีโทรศัพท์นะไอโฟก็ได้รุ่นใหม่นะเครื่องสองหมื่นแต่ว่าร้านนี้เนี่ยนะเขาต้องการโปรโมตสินค้าดึงคนเข้าร้านเขาก็ลดราคานะจากสองหมื่น ก็เหลือหมื0นห้าอย่างนี้โชคดีั้มไม่มีใครพ ย, ยักหน้าเลย <c oughs> สองหมืนเนี่ยเราก็ซื้อมาหมื0นห้าดูใจโอ้นี่โชคดีฮะนะพอกลับไปบ้านข้างบ้านเขาก็มาหาเราแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนี่เขาโชคดียังเลยนะ ไปเจอไอฟนสอง0มืนเนี่ยเาลดเหลือหมื0นสองจากที่เราดีใจที่ซื้อได้หม0 0นห้าเนี่ยพอเพื่อนบ้านเขาบอกเขาซื้อได้หมื0นสองเป็นไงเศร้าเลยใช่ั้มเศร้าเลย <c oughs> เพื่อนอามาคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักเล่นหุ้น ตอนนี้ก็าเลิกกันละนี่ก็เลิกเพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะเอาเงินหรือจเจ้าความสุขก่ขอนหน้า น, นี้เขาคิดแตจะเอาเงินแต่ตอนหลังเขาคิดว่าเงินกับความสุขไม่เหมือนกันนะได้เงินจะไม่มีสุขสู้เอาเงินไม่ได้ไอ้สู้เอาสุขไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะไม่มีเงิน แต่ตอนที่เขาเลยเลิกเล่นแต่ตอนที่เขายังเล่นอยู่เนี่ยเขาไปเจอคุณป้าคนนึ่งคุณป้าตอนนี้ก็เล่นหุ้นเป็นประจำไปตลาดหุ้นทุกวันนะคุณป้าก็บอกว่าก็เล่าว่าเนี่ยเมื่อสามวันก่อนแกขายหุ้นไปล็อตหนึ่งได้ประมาณสิบล้านเพื่อนสมาชิกเลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้า คุณป้าบอกยินดีอะไรกันล่ะถ้าแสงขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรแล้วยี่สิบล้านคุณป้าได้สิบล้านไม่ดีใจนะวันรุ่งขึ้นคุณป้าก็ไม่มาตลาดพูดเพื่อตอาก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าคุณป้าใหายไปไหนคุณป้าเป็นลูกค้ามาร์เก็ตติ้งคนนี้มาร์เก็ตติ้งบอกว่าคุณป้าเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าเพราล่ะไรเขาเครียดที่ได้แค่สิบล้าน สิบล้านนี่เงินก้อนใหญ่นะถูกรับตัวเลขวันที่หนึ่งมันรู้กี่ใบแต่ทำไมคุณป้าเครียดทำไมคุณป้าทุกทำไมคุณป้าไม่พอใจเพราะคุณป้ามองว่าไม่ใช่ได้สิบล้านแต่เสียสิบล้านใช่ไหมเนี่ยได้โชคนะสิบล้านอนะ่ะแต่ถ้าวางใจไม่เป็นมองไม่ถูกนะ ก็ถูกหลายคนเนี่ยปรารถนาขอให้เจอสิ่งดีๆแต่ว่าไม่รู้จักนะวางใจให้ถูกหรือว่าฝึกใจให้ใหดีได้โชคได้ลาบก็ถูกแต่คนที่เขาวางใจเป็นนะเขาเจอ ความเจ็บความป่วยเขาเจอความสูญเสียนะครอบกับเป็นปกติถูกดาบางทีกับยิ้มได้ที่ซ้ำนะสมัยนี้นี่แค่ไม่ ก, กดไลค์ไม่ชมนี่ก็ทุกข์แล้วนะเดี๋ยวว่าแต่ถูกต่อว่าที่วัดทรรกองเทนนะ สมัยที่หลวงปู่ขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีแม่ชีคนหนึ่งนะที่มาศีกษาปุระถาผพานเนนดีมากแล้วปฏิบัติดีด้วยวันหนึ่งหลวงปู่ขาก็บอกให้พระสองรูปเนี่ยลุกศสร็ส์ไปดูดาไปว่าแม่ชีสาทั้งสองท่านก็งงนะแต่ว่าครูบาอาจารย์สามก็ต้องไป ไปที่กุฏิแม่ชีสาเรียกแม่ชีสามาแล้วก็ดา่าแม่ชีสาที่แล้วก็งงแต่ว่าตั้งสติได้ก็คนมมือฟังอย่างสงบพ้าสองรูปเนี่ยดา่าก็มันก็ด่าแล้วก็เลยหยุดแม่ชีสาเนี่ยแทนที่จะโกรธหรือแทนที่จะน้อยใจนะว่าทำไมครูบาอาจารย์มาว่าเรา เราุาสตร์ทำความดีเสียสละทำไมครูบาาจารย์ไม่เห็นเราจะเกิดว่าคนก็รู้ว่าเราถูกครูบาาจารย์ดา่าเราจอหน้าไปสุ้กับที่ไหนนะ mm hmm. แน่ชีษาม่มีแบบนี้เลยแน่ชีษา ก, กับพูดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ดูดาดิฉันหมดแล้วเหรอดิฉันฟังแล้วราบซึ้งใจเหลือเกิน เสียงด่าที่มีเสียงธรรมะทัาาท้งนั้นเลยชาวหน้ายิ้มมนมาดุด่าบ่อยๆนะพี่เลี้ยงแ้หมดสักทีคนมักจะคิดว่าถ้าถูกด่าเนี่ยก็คือความซวยถูกด่าเมื่อไหร่ก็เสียใจหรือทุกข์มันนั้นขอยได้เจอใครมาดุด่าว่ากล่าวเลย แต่สำหรับคนบางคนอย่างเช่นแม่ศีษานะการดูดาไม่สามารถจะทำให้แม่ชีษาเนี่ยโกรธโมโหหรือเสียใจได้เพราะอะไรเพราะแม่ศีษาเนี่ยนะเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีความหนักแน่นรู้จักคิดรู้จักมอง ก็คือว่าเออดาก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ช่วยอลดละอักตาช่วยขูดกิเลสให้งหมดไปที่จริงไม่จต้องเป็นนักปฏิบัติก็ได้เจ้าของเมืองโบราณเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วนะ ผู้ก่อตั้งบริษัทวิยาประกันไท ย, ยรวยมากนะคุณเล็กวิยาพันธ์จะรวยมากจะเป็นคนที่ติดดินเป็นคนที่สนใจธรรมะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าวัดบ่อยเจอเพื่อว่าวันไหนถูกวันไหนถูกวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอภิมงคลหลายคนเนี่ยนะภาวนาว่าขอให้ได้มีใครมาตำหนิฉันเลยเพราะอะไรเพราะว่า เจอเมื่อไหร่ก็ทุกเมนนั่นั้นแต่มันไม่ใช่นะเจอคำตาหนิแต่ไม่ทุกก็ได้ถ้ารู้จักเห็นประโยชน์ของคำตาหนิเช่นเห็นว่าคำตาหนิก็ดีทำให้เรารู้ว่าเรามีข้อบกพร่องมีจุดที่ต้องแก้ไขตรงไหนหรือว่ามันเป็นเครื่องช่วยลดอัตาของเรา มันเป็นเครื่องกระตุ้นให้เราไม่หลงตัวรื่มตนคนที่มีฐานะมีเงินทองก็มักจะมีผู้คนมาพ่อหยอสารเสริญก็อาจจะหลงตัวรุมตนได้ง่ายแต่ถ้ามีคนมาตัณฑ์นะมันก็เท่ากับทําให้ได้เห็นว่าเออเราก็เป็นมนุษย์นะเราไม่ใช่เป็นเทวดาเรามีผิดมีพลาดได้ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นมงคลนะเพราะคนเราท่าหลมตัวลืมตนแล้วเนี่ยมันมโอกาสที่จะพลั้งพลาดก็จะมีมากขึ้นเดี๋ยวว่าแต่คำตำหนิเจอหนักวกันนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าวางใจเป็นก็ไม่ทุกข์อาจามาเคยพาคนไปอบรม เชิญความต่างสงบสามวันที่หันใหญ่มาสุดท้ายเนี่ยก็ให้คนอบรมเนี่ยไปเป็นจิตอาสาเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมอหันใหญ่เจ้สาวคนหนึ่งอายุห้าสิบก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งอายุสิบสองสิบสี่เป็นผู้หญิงผมเธอร่วงมันเลย เธอเป็นมะเร็งสมองแต่เธอมีสีหน้าเรียกว่าย้นยิ้นนะอารมณ์ดีชวนจิต อ, า, า, า, อาสาวาดรูปจิอาสาก็แปลกใจนะเป็นมะเร็งสมองเนี่ยยังมีอารมณ์วาดรูปเลยคุยไปคุยมาเธอบอกว่าหนูโชคดีนะ ที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมียากิคนหนเป็นมะเร็งมดลูกป ว, วดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองเจอมะเร็งสมองจะไม่ทุกข์อ่ะเพราะใจอีกคนหนึ่งก็เป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งเต้านมอายุมากหน่อยแล้วยี่สิบกว่าแต่ว่าเธอ เธอก็อยังยิ้นแย้มได้เธอบอกว่าเป็นมะเร็งก็ดีนะเพราะว่ามันทําให้โรคซึมเศร้าที่เธอเคยเป็นเนี่ยหายไปเลยเธอเนี่ยเคยพยายามค่าตัวตามมาแล้วสามครั้งเพราะโรคซึมเศร้าแต่พอเป็นมะเร็งเนี่ยนะไอความที่อยากฆ่าตัวตายนี่หายไปเลย มะเร็งนี่มันน่ากลัวน้อยกว่าโรคฝีเ้าเยอะมันทำให้เธอเปลี่ยนมุมมองหมอเางบอกลว่าเออมุมมองเกี่ยวกับโรคและชีวิตของเธอเปลี่ยนไปนั้งแต่เธอเป็นมะเร็งเธอขอบคุณที่เป็นมะเร็ง คือเราจะเจอคนที่เขาเขามีความทุกข์แล้วจุดก็ เ, เป็นเนี่ยนะมันมันก็สามารถจะพุกงขังชีวิตได้หรือทําให้ชีวิตเนี่ยไม่มีไม่น่าจะมีความสุขแต่หลายคนก็มีความสุขได้นี่มีนคนนึ่งแกชื่อแกชื่อคลาว โรคที่แก่เป็นเนี่ยเป็นโรคที่เป็นยากกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมาหมาถึงกล้ามเนื้อทุกส่วนนะไม่ใช่กล้ามเนื้อที่ขาที่แขนท่านั้นนะมาลุ่นถึงกล้ามเนื้อในร่างกายภายในด้วยพอเป็นมากๆเขาเนี่ยบางทีก็อาจจะกินไม่ได้กลืนไม่ได้ เดี ว, ว่าแต่พี่ทยามไม่ได้เลยเธอเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทยิ่งยากเข้าไปใหญ่ยิ่งยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะเธอเป็นตอนที่เธอยุบมาสิบห้าเริ่มเป็นมากขึ้นไปเรียนหนังสือไมเเ่เดินไม่ได้ต้องให้พ่อเนี่ยนะกุ้มเธอนะขึ้นมันชิดขึ้นบันไดไปเรียนหนังสือ จนท่านเธอไม่ไหวเธอเรื่องนอนขยับแขนขยับขาก็ไม่ได้กนะารกินก็ยากหมอบอกว่าเธอจะอยู่ได้ไม่ไม่ถึงยี่สิบนะนี่เธอก็สามสิบแล้วทุกวันนี้เธอนอนนอนอยู่บนเตียง ยางดีที่ยังพูดได้แต่เคื่องขยับแขนไม่ได้หายใจเนี่ยประมาณสิบเปอร์เซ็นของคนทั่วไปนะหายใจนะแต่ว่าเธอเนี่ยนะไม่มีอาการทุรนทุรายมีความทุกข์เลยมีวันหนึ่งเนี่ยเธอมีคนอ่านนิยายให้ให้เธอฟัง เธอเกิดแรงบันดาลใจที่จะเขียนนิยายเนแต่เธอไม่สามารถจะจิ้มได้นะจิ้มคีย์บอร์ดไม่ได้นะเธอทำได้แค่เนี่ยแค่เนี่ยงีแล้วก็จิ้มเธอเกิดแรงบันดาลใจที่จะเขียนนิยายแล้วเธอใช้วิธีเนเขียนทีละตัวทีละตัวปรากอบ่ิยางเธอเนี่ยมันดีสำนับพิมพ์ก็รับไปพิมพ์ ทุวนี้เธอพิมพ์มาละสิบสี่เล่มและเธอกลายเป็นกำลังหลักของบ้านรายได้ของบ้านเนี่ยมาจากผู้หญิงคนนี้ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้มีเงินส่งเสียน้องแม่ต่งงานก็ได้เงินของเธอเนี่ยนะจนเจือพ่อเสียชีวิตไปแล้วคนที่นอนเหมือนองค์พิการจะกลายเป็นคนที่หารายได้หลักให้กับบ้าน เคยพูดถึงความทุกน่าสนใจเขบอกว่าความทุกข์มันให้อะไรเรามากกว่าความสุขความสุขมันทำให้เราจิตใจร่องลอยแต่ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็เห็นโลกตามความเป็นจริง ไม่ฟุง้งไม่ล่องลอยเปนความสุขมันทำให้เราเนี่ยนะสามารถที่จะรู้จักตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจโลกได้เห็นไหมคนบางคนเนี่ยเจอหนักแต่ว่าใจเนี่ยนะเขาไม่ทุกข์คนบางคน ได้โชคได้ลาบแต่กลับหาความสุขไม่เจอได้สิบล้านแต่ว่าปวด ย, ยู่เข้าโรงพยบาบาลบางคนเจอที่เจอหน่อยเนี่ยเป็นสิวถือแห้งผลแตกปายก็เครียดแล้วนี่ต่อมาอีกตัวอย่างเนาะเพื่อที่จะบอกว่าคนเราเจออะไรเนี่ยไม่สำคัญสัาว่าใจเป็นอย่างไร คืออยู่ที่คุณภาพจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะมัวแต่ไปอธิษฐานอ้อนวอนก่อให้เราเจอสิ่งดีๆให้มีโชคมีลาแต่สมาคิ่อเราควรจะหันมาให้ความสำคัญกับการที่เรามาฝึกใจนะให้มีสติให้มีปัญญาพอท้าเรามีแล้วเนี่ยนะ เจอโชคนะเราก็มีความสุขได้โดยที่ไม่ไม่ไม่หลงเพลินกูเจ้าจาัดไปนะว่าท่านเตือนเอาไว้ว่าผลแห่งความดีเนี่ยย่อมเป็นพิษแก่ผู้ไม่พิจารณาผลแห่งความดีคืออะไรก็คือชื่อเสียงศักการะ ทำความดีแล้วมีคนยกย่องทำความดีแล้วประสบะความสำเร็จมีเงินมีทองไหลไหลามาุู้เจ้าบอกว่าเนี่ยมันสามารถเป็ น, เ ป, นเป็นพิษได้ถ้าไม่พิจารณาล้วจะเห็นว่าคนที่มีความคนที่ได้โชดได้ลาบเนี่ยอาจลงเอยด้วยการเป็นทุกขลาภก็ได้ประมาท แต่เดยกันนั้นถ้าพัฒนาจิตให้มีคุณภาพนะเจอทุกข์แต่มันก็แค่ทุกข์กายมันก็แค่เสียทรัพย์แต่ว่าใจไม่เสียใจไม่ทุกข์นี่นำซ้ำเนี่ยนะกลับได้ประโยชน์จากความทุกข์ กลับได้ประโยชน์จากเหตุการณ์แย่ๆที่เกิดขึ้นปี B 54เนี่ยมันมีน้ำท่วมใหญ่ที่ภาคเหนือกรุงเทพภาคกลางก็มีหลายบ้านคนหลายหมื่นเป็นแสนมั้งสูญเสียทรัพย์สินสิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่ใช่น้อย บางคนไม่ใช่แค่เสียทรัพย์เสียใจจนเสียจริตบางคนก็เสียชีวิตเพราะ่าตัวตายแต่ก็มีบางหลายคนที่เขาไม่ทุกข์มีคนบอกว่าน้ำท่วมมันก็ดีนะมันสอนให้เขาได้รู้ว่าไม่มีอะไรจะเป็นของเราเลยไม่มีอะไรจะเป็นของเราอย่างแท้จริงทุกอย่างที่เรามีมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราว แล้วสักวันหนึ่งก็ถ้าไม่มีคนออกไปมันก็ถูกไฟไหม้หรือว่าถูกน้านพัดผ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียทรัพแต่ได้ได้ปัญญาทรัพเนี่ยนะเสียไปหาใหม่ได้แต่ปัญญานี่มีเท่าไหร่ก็ซื้อมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้แต่ถ้ามีแล้วเนี่ยนะไม่ทาให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อความทุกข์ เจอความทุกข์ครั้งต่อต่อไปก็จะไม่ไม่ไม่ติดใจไม่ยำแย่ <c oughs> มีคนหนึ่งนะแกเป็นช่างไฟแกโดนไฟฟ้าแรงสูงช็อตที่ขาต้องตัดขาทิ้งสองข้างที่การตลอดชีวิตแค่นั้นไม่พอนะ ไม่กี่เดือนต่อมาภรรยาก็ทิ้งลองคิดดูนะเนี่ยเสียเสียขาไปแล้วเนี่ยเสียแล้วก็เสียภรรยายจะรู้สึกยังไงนะทําไมข้อซ้รรําำคำซัตว์อย่างนี้แต่ผู้ชายคนนี้ก็ชิดดนะั่งดีนะจกไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมีคนถามว่า ค, คุณรู้สึกยังไงนะที่ภรรยายทิ้งไปจะบอกว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลย คุณชี่ดูซิแม้ ข, ข้างขาสองข้างเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วจะให้เมียอยู่กับผมได้ยังไงก็ไม่มทุกร้อเมียทิงเพราะว่าเขาได้เรียนรู้จากการเสียขาเขาเสียขาแต่เขาได้เรียนรู้ได้ธรรมะว่าอะไรนะขาไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรี่เป็นของเราเลย พขเสียขานะจากเขาได้ธรรมะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราทุกอย่างไม่ดีเราตอนฉันพอมีอทิ้งนะเขาก็ไม่ทุกข์แล้วเพราะเขาได้เรยรู้ว่าได้เรียนรู้จากการเสียขาคนส่วนใหญ่เนี่ยแทนที่จะเสียหนึ่งแล้วก็ได้ปัญญาแทนที่จะเสียทรัพย์แล้วได้ธรรมะ กับตรงข้ามนะเสียทรัพย์ไม่พอก็เสียใจเสียใจไม่พอกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียสุขภาพถึงเวลาทำงานก็ทำไม่ได้ถึงแม้จะมีแรงทำแต่ว่าไม่มีสมาธิเสียงานหนิพออารมณ์ไม่ดีใครมาพูดหยอกมาพูดเยา้าโกรธด่าเขาทะเลาะ ก, กันเสียเพื่อน บางทีเสียคนเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยมันมีคลิปวิดีโอประเทศจีนนะห้าสับสินค้าไม่รู้ถ่ายมาได้ยังไงนะผู้หญิงกับผู้ชายสองคนเข้าใจว่าเป็นถ้าไม่แฟนก็สามีภรรยาผู้หญิงอยากได้ไ อ, ไ อ, ไ อ, ไอโฟนหรือไอแพดเนี่ยรุ่นใหม่ ผู้ชายไม่ซื้อให้ผู้หญิงโกรธนะไม่พอใจนะแล้วก็ไม่ร่วงประท้วงหรือว่าต้องการเอาชนะเธอก็เริ่มถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อก่อนแล้วก็ถอดกางเกงแล้วก็ถอดยกทรงแล้วก็ถอดกางเกงใน อยู่ตรงนั้นอ่ะให้ผู้ชายก็ไม่สนใจนะเดินหนีผู้หญิงก็เดินตามคนที่ผ่านไปผ่านมา น, นิ่งงนะจนกระทั่งมีอา ม, ม่าคนห น, นึ่งนะแกก็เตือนสติผู้หญิงนะแล้วก็หยิบเสื้อเนี่ยให้ผู้หญิงใส่ผู้หญิงกได้สติขึ้นมาเนะีก็เลยเริ่มเริ่มกลับมาใส่เสื้อผ้า เธอนอกจากจะไม่ได้ไอแพดที่ต้องการแล้วนะคือเสียนะสิ่งที่อยากจะได้แล้วเนี่ยยังเสียคนด้วยนะเพราะว่าคิษพิมพ์ก็แพร่ไทั่วโลกคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเสียเนี่ยไม่ใช่แค่เสียหนึ่งนะจะเสียสองเสียสามเสียสี่เสียงของไม่พอเสียใจเสียสุขภาพ เสียงานเสียเครื่อหรือเสียคนเวลาราติดแทนที่จะเสียแค่เวลาวางใจไม่ถูกก็เสียอารมณ์แต่คนฉลาดนี่นะก็เสียแค่เวลาแต่อารมณ์ไม่เสียแทนยังใช้เวลานั้นเนี่ยในการเจริญสติรถติดก็หายใจเข้าพูดหายใจออกพท หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกเสียเวลาแต่ได้ธรรมะคนฉลาดนะแต่คนไม่ฉลาดนะเสียเวลาแล้วก็เสียอารมณ์ด้วยแต่แล้วก็ตามอีกมาเป็นตามมีคนเสียตามมาอีกเช่นทะเลาะกับลูกนะบนลถนั่นแหละคนฉลาดเนี่ยนะเขาจะ ใช้ประโยชน์จากเกลียดร้ายนะให้เกิดคุณค่าในทางธรรมะเพิ่มปัญญาเสียขาแต่ได้ธรรมะเสียทรัพย์แต่ได้ปัญญาเจ็บป่วยนะแต่ว่าฉลาดขึ้นอย่างเช่ตามพุทธวจนะเนี่ย ป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีฉลาดเรื่องอะไรฉลาดเรื่องเรื่องร่างกายเรื่องสังขารกพรามันไม่เที่ยงมีผินคนหนึ่งนี่ก็น่าทึ่งเหมือนกันนะเธอเป็นตอนที่เธออยู่ปีสาเนี่ยเธอเป็นดาวเหมาเฉลยสวยเธอเป็นคนสวยตอนปีสี่เธอก็ไปรู้จักผู้ชายคนนึงผ่านทางโซเชียลมีเดีย สมัยนะัเฟสบุ๊กยไม่ดังนะประมาณปีห้าสองเนี่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยติดต่อเธอไปมาก็เกิดหลงรักเธอที่จริเรียกว่าหลงมากกว่ารักนะนัดเจอกันพอผู้ชายรล่วงเธอไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้รักเขาแบบที่เขาปาถนาเธอก็โกรธคงคิดว่าเธอหลอกเขาอะ่ะ เขาเลยฉันเป็นไงน้องโกดสานหน้าเธอตาบอดเสียโชก ค, คนที่เคยภูมิใจนะในรูปร่างหน้าตาของตัวรู้สึกว่านี่คือคุณค่าของตัวเธอเนี่ยความสวยงามพอเสียโชกเนี่ยถ่าทุกค น, น่ยคิดถึงการข่าตัวตายแต่เธอก็ ไม่ทำเพราะเธอนึดถึงพ่อแม่เดือพ่อแม่เนี่ยแต่เธอก็ขอที่บ้านมาขอให้ย้ายบ้างเพราะเธอเนี่ยอายที่จะได้เจอคนที่เคยรู้จักเธอในภาพที่สวยงามความสวยงามเนี่ยมันมันเลือนหายไปแล้วเธออายที่จะได้เจอ คนที่เคยรู้จักเธอย้ายบ้านไป <c oughs> ไม่กี่ปีต่อมาเธอกอ็ใจเธอก็พลิกนะชีวิตเธอก็เปลี่ยนเดียนจบเธอก็ไปทำงานเป็นพนัก ง, งานค c เซ็นเตอร์ธนาคารแห่งหนึ่งทุกเช้า <c oughs> เธอก็นั่งรถไฟฟ้า เธอก็ไม่ติดบังหน้าต่างเธอมีคนมาถามเธอว่าคุณชื่อเค้กใช่ไหมเพราะเธอเคยออกรายการโทรทัศน์เธอบอกถูกต้องแล้วค่ะนะล้อลอสัญญาณในหลานคุณถูกต้องแล้วครับเธอไม่เสีย อ, อายกับหน้าที่เสียโฉมต่อไปเธอมีคนถามเธอว่าเธอกโกรธผู้ชายคนนั้นไหมเธอบอกเธอไม่กโกรธเลยขอบคุณเขาที่ซ้ํา เพรเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะมันทําให้เธอเนี่ยได้มีเวลาอยู่กั บ, บครอบครัวบ้างขึ้นคือถ้าเธอยังสวยงามพริ้งเ น, นี่นเธอก็คงจะหลงไปตามแสงสีไม่เคยได้กลับบ้านเท่าไร่แต่ชื่อวันเธอบอกเนี่ยว่าเหตุการณ์นั้นมันทําให้เธอเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทําให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเธอบอกว่าแต่ก่อนเธอเป็นคนที่ยึดมั่นถือมันมากทําอะไรเนี่ยนะก็จะ ดิษมันถึงมันแล้วคาดหวังอยากให้คนชมใครมาตาหนิก็ไม่ได้แต่พอเจอเหตุการณ์นี่มันทำให้เธอได้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุทุกอย่างย่อมแปลเปลี่ยนไปหน้าตามเอือ่าเช่นเดียวกันถ้ามันไม่เปลี่ยนวันนี้วันหน้าก็ต้องวันหน้าก็ต้องเปลี่ยนเพราะพอเธอแก่ในความสวยก็ต้องหายไป แต่การที่มันเกิดมันเกิดขึ้นกับเธอเนี่ยการที่อายุไม่ไม่มันทำให้เธอเนี่ยได้รู้การปล่อยวางเธอได้รู้จักปล่อยวางแล้วพอปล่อยวางเรื่องนี้แล้วเนี่ยไอ้เรื่องอื่นเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องน้อยใครจะมาพูดอะไรเธอก็ไม่ไม่หวั่นไหวนะทั้งเธอเนี่ยอันนี้มาว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะรู้จักใช้ประโยชน์จากความทุกข์เสียโฉมนะ แต่ว่าได้ปัญญาปล่อยวางเธอจะไม่เคยเข้าคอสปฏิบัติธรรมอาจจะไปวัดไม่บ่อยแต่เธอก็ได้ธรรมะจากความทุกข์ที่เกิดกับตัวเองเพราะนั้นถึงบอก่าตั้งแต่ต้นว่าเจออะไรไม่สมกับสมว่าจเจเป็นอย่างไรเจอร้ายอาจกลายเป็นดีได้ถ้าใจามีสติมีปัญญา เจอดีอาจกายเป็นร้ายได้ถ้าใจไม่มีสติไม่รู้จักคิดนะเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์อะไรเนี่ยจะดีหรือร้ายเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ใจเรานะมันอยู่ที่ใจเราเหตุการณ์เนี่ยความเจ็บปวดอาจจะดีก็ได้ถ้าระวังใจถูกได้โชคได้ลาบอาจจะกลายเป็นร้ายก็ได้ถ้ารวังใจผิด ผมไม่ยากครับคงจะฐานน้อยอ้าวก็คงเท่านี้แหละเกินเกินน้าพอแล้วเออ ข, ข, ข, ขอขออนุญาตยังไม่ได้ถอยน้ําถอยแล้วถายแล้วเบียดแล้วมีมันเบียนลเลยปลี่ยดไหมครับหมา่อาเป็นไงฟังแล้ว ยังคำสารได้เลยครับต้องส่งส่มาครับ ที่เราได้เคยทำมาแล้วเราจะมีวิธีการทำอย่างไรให้ในส่วนการที่เราเคยทำไว้เนี่ยเบาบางลงว่าเข้ากันได้ัีได้ฝังใจกลมกล่อมอย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจนะก็คือว่า สุขหรือที่เกิดขึ้ น, น, นในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ตายว่าจะต้องเป็นคนมาจากกรรมในอดีตหรือเพราะอดีตชาติแต่ถ้าเป็นอดีตในปัจจุบันชาตินี่อันนี้แน่นอนเห็นมที่อย่างเช่นเราเป็นโรคหัวใจเพราะว่าไขามันมันเกาะ อ, อยู่ตามหัวใจแล้วก็ตามเส้นเลือด อันนี้มนไม่มันไม่เกี่ยวกับกำเนิดดีนะมันเกี่ยวว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเรากินแต่เนื้อกินแต่สเต็กกินแต่ไข่กินไขมันกินเนื้ อ, อกินทอดน้าตาลกินหวานเยอะโรคหัวใจเนี่ยเป็นเพราะอิตฉาเลยนะมันเป็นเพราะพฤติกรรมของเราในปัจจุบันเป็นมะเร็งปอดเนี่ยเขาสูบบุหรี่มากนะมันไม่เกี่ยวเรื่องกำเนิดดี ผู้เจาจัดว่ามันมีความเชื่อหรือทิ่ถิถ่นนอกพุทธศาสนาอยู่สารความเชื่อหึงในสารนันคือความเชื่อว่าสุขทุกในปัจจุบันเป็นเพราะกรรมในอดนีตเห็นอดชาติอันนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่ชาวผู้จําจนวนมากเนี่ยคิดแบบนี้เยอะเออารอะไรก็อ้างอดีตชาติว่าเป็นเพราะ ออะไรก็ไม่รู้ทําให้เราเนี่ยป่วยทําให้เรายากจนนะนี่ต้องต้องเข้าใจแนละ้วว่ามันไม่ใช่ความเชื่อเพื่อศาสนาครับนะอีกความเชื่อเนึ่งก็คือความเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราเป็นเข้าะการกดบันไ ด, ดของทเทวดาหรือพระเจ้าอีกอันหนึ่งก็คือความเชื่อว่าสุขทุกเนี่ยไม่มีสาเหตุ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราป่วยนะอยาคิดว่าเป็นเพราะกรรมไนดีที่เจ้าบอกว่าเมื่อป่วยเนี่ยมันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุเช่นดีพร่องเสมหา พ, พร่องนะลมแปรปรวนอาหารการบริหารกายรวมทั้งกรรมในดีด้วย คือผู้น่าคือมีหลายสาเหตุแต่บุคคลชนอ่งเราเนี่ยไม่สามารถจะบอกไปได้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพาราะกรรมในอดีตชาตินะยิ่งเกิดจากเจ้ากรรในเวรนี่ไม่มีทางที่จะรู้ได้ยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะก็ต้องตระหนักไว้อย่างหนึ่งว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรม เราเกิดมาเพื่อสร้างการรมด้วยและกรรมที่เราควรสร้างคือกรรมดีและกรรมที่เราสร้างมาในปัจจุบนันนียจะมีอิทธิพลมีความสำคัญมากกว่าการรมในวิจาชาติและนี่คือโอกาสที่เราจะเปลี่ยนลการเป็นดีหมายความว่าสมมุตินะว่าเราเคยทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตเนี่ยนะ แล้วมันเกิดวิบากส่งผลมาในปัจจุบันถ้าเราทำความดีมากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยเตือานาจมันเหมือนกับว่ามีแก้วน้ำ น, นะแล้วเราหยดหมึกลงไปในแก้วน้ำเนี่ยมันก็ทำให้ดำเราไม่สามารถทำให้ ให้หยดหมึกที่มันละลายอยู่ในแก้มน้ําเนี่ยมันหายไปได้แต่เราสามารถจะเจือจางมันได้ด้วยการเติมน้ําเติมน้ำใสลงไปเยอะๆจากที่มันดําเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเทามันก็เริ่มเจือจางมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิธีหนึ่งคือทําความดีมากๆมันก็จะช่วยทําให้วิบากเนี่ยเจือจางบางไม่ได้ลดนะแต่ว่ามันเจือจาง แต่ดีกว่านั้นก็คือว่าใช้มันให้เป็นประโยชน์เช่นสมมุติถนะ้าเราป่วยนะเราป่วยเพราะกรรมในจิตชาตินะถ้าเราเนี่ยมีปัญญาเราก็ใช้ความป่วยนั่นแหละในการทําให้เราได้เห็นธรรมะทาให้เราได้เกิดความเข้าใจเรื่องอ น, นิจจังสุขอนัตตาทําให้เราได้เกิดความไม่ประมาท ในสังขารคนพิการบางคนเนี่ยนะ <_ d ata> เขาเห็นธรรมะได้ดีกว่าคนปกติยกอย่างเช่นอาจารย์จำพลทางบุมรุ่มจำไหมอาจารย์พลพิการพิการกับคอลงมาแล้วก็อยู่อย่างทรมานมากเพราะว่าไม่มียารักษารอวันตาย ถ้าพ่อแม่ตายเมื่อไหร่แกคงแย่พ่อพ่อแม่เนี่ยทำหนาที่อุ้มแกไปเข้าห้องน้ําป้อนข้าวให้แต่วันหนึ่งแกได้ได้มาปฏิบัติธรรมจากการแนะนํำหลวงพ่อคำเขียงหลวงพ่อคำตมาหมวพ่อแนะนำให้ทพลิกมือไปพลิมือมาไอที่ให้รู้ให้เวลาพิกเตียงก็ให้มีความให้มีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปแล้วเนี่ยก็ให้ให้พิจารณาว่าไอที่พลิกเนี่ยคือรูป แล้วถ้ามันมีความคิดเกิดขึ้นระหว่างคิด ก, ก็ให้รูว้ว่นนานั่นคือนามไอท้ไอไอที่คิดไม่ใช่ลรกคิดไอ้ที่คิดไม่ใช่เราคิดแต่มันเป็นรูปที่คิดมันจึง เ, เป็นรูปที่คิดที่เป็นนามเป็นรูปที่คิดเป็นนามที่คิดไม่ถึงเดือนก็เข้าใจรูปนาม<โน isse>แล้วก็เลยจะเลยนะอ๋อไ อ, ท อ, ไอท้ที่เราคิดไอ้ที่คิดการเนี่ยนะไม่ใช่เราพิดการนะมันเป็นกายที่คิดการ ไม่ใช่เราพิการไอ้ตรงนั้นนะจิตเราจะความทุกข์เลยหลวงเชื่อต้องร้าวว่าเราพิการที่จมันไม่แค่กายพิการไม่ใช่ใจพิการนี่ก็ใช้ประโยชน์ความทุกข์เนี่ยอาจารย์กำพูบอกว่าเนี่ยต้องขอบคุณความทุกข์เพราะความทุกข์ทำให้รู้จักทุกข์และพอรู้จักทุกข์ก็เลยให้เห็นทุกข์และพอเห็นทุกข์แล้วก็เลยรู้วิธีคนทุกข์ สุดก็คือว่าคุณอย่าไปกลัวกรรมในอย่าไปกลัววิบากที่มาจากอดีตถ้าคุณฝึกให้มีปัญญาเยอะๆคุณจะสามารถใช้วิบากให้เป็นประโยชน์นได้คนที่เกิดมาท่ามการกองเงินกองทองสมมติว่าเป็นเพราะกรรมในอดีตเขาทำไม่ดีนะอาจจะลงเลย กลายเป็นแยกก็ได้ก็คือว่าสำเรยเทมเานะแทนที่จะเสวยกรรมดีก็กลายเป็นว่าเสียผู้เสียคนเพราะผลแห่งกรรมดีใช่ไหมเสียผู้เสียคนเนี่ยเพราะว่าเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วก็เลย กลายเป็นเพลย์บอยนะกลายเป็นเจ้าพ่อกลายเป็นนักเลงผิดศีลทุกข้อเลยอันนี้เราก็เห็นบ่อยจากคนที่เป็นลูกคนรวยอันนี้ก็เลยว่าถ้าความรวยเกิดจากกรรมดีแนกดีชาตินะเป็นไงมันกลายเป็นเสียไปใช่ไหม เพราะไม่รู้จักใช้กรรมดีให้เป็นประโยชน์อันนี้บอกแล้วไงผู้เจ้าบอกแล้วไงผลแห่งความดียอมเป็นพ่แก่ผู้ไม่พิจารณาเพราะ ท, ทำให้ประมาทหลงไหลโมเมาแต่สมมติว่าเราต้องประสบข้อกรรมอันเนื่องมาจากการรมในบิดชาติซึ่งในความจริงเราไม่รู้นะเป็นเพราะการรมในบิดาหรือเปล่าแต่สมมติว่าเป็นนะ หรือเป็นพารากรรมในปัจจุบันชาติก็แล้วแต่เรายังอยู่ในวิสัยที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและ ท, งทางธรรมคนบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อทิ้งแม่ทิ้งแต่เขาสามารถจะเอาความทุกของเขาเนี่ยมาเขียนเป็นนิยายสามารถจะเอาเรื่องราวที่ทุกอย่างเขาเนี้ยมาแต่งเป็นบทเพลง ที่มีชื่ออย่างรู p r i n g s t e ี n เนี่ยนะก็คุนรู้จักมรูสสปริงสตีนเนี่ยเป็นเป็นเป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อมากของอเมริกาเ mm hmm. ขาลุนน้องด h e b o ๊ d บดีเลนเพลงก็เพราะมาก mm hmm. เนื้อหาเนี่ยเป็นกวีแต่เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวความทุกข์ในอดีตสมัยวัยเด็กก็ mm hmm. เ, เอามาเอามาใชใ้เป็นประโยชน์ ในทางโลกก็คือรวยมีชื่อเสียงหรือเราจะมาใช้ประโยน์ในทางธรรมก็ได้ก็คือทําให้เห็นถึงความ oh. เห็นว่าเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงของสังขารใช่ไหมให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยทุกอย่างมาแล้วก็ไปไม่กี่รางยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่า เราต้องเจอี่บารอะไรบ้างในอดีตแม้เราจะแก้ไขไม่ได้แต่เราใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้อันนี้แหละที่เรามาเรียกว่าใช้กรรมใช้กรรมมักจะหมายถึงว่าชดใช้กรรมนะซึ่งมีความหมายไม่ดีแต่ว่าใช้กรรมอีกความหมายนึงที่ดีก็คือว่าเอามาเอามาใช้เป็นประโยชน์เมื่อคุณใช้เงินนะ่ะคุณใช้เงินเพื่อเกิดประโยชน์นะ ท่นชาวพุทจริงๆเขาไม่กลัวนะไม่กลัวว่าต้องไปเจอวิบากอะไรบ้างพราะเรารู้เรามีวิชาที่จะเปลี่ยนร้ายกายเป็นดีนะเพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยทุกทั้งหลายเนี่ยสอนทําให้ตเราได้ทั้งสิ้น <c oughs> คนเราเนี่ยจะเห็นธรรมก็เพราะเจอทุกพุทธเจ้าเนี่ยจึงให้ออริยสัจสี่ข้อแรกคืออะไร ทุกทำไมทำไมถึงต้องเริ่มต้นข้อยอะไรทุกค่ะนะค่อยอะไรเพราะทุกมันเป็นประตูไปสู่ธรรมใช่ค่ะทุกเป็นประตูไปสู่สมุทัยและนิโรธถ้าคุณไม่เจอทุกคุณก็ไม่รู้จับสมุทยัยและคุณก็ไม่เห็นนิโรธค่ะคุณอยากใครๆอยากได้นิโรธใช่ไหมใช่นิโรธนี่คือสิ่งที่ใครก็ปาชนายนะค่ะคุณต้องผ่านประตูด่านแรกก่อนคือทุก ใช่ไหมใช่ครัแต่ว่าคุณต้องรู้จักคุณต้องคุณต้องเกี่ยวข้องกับทุกข์ให้เป็นถ้าเจอทุกข์แลเป็นทุกข์เนี่ยเสร็จเลยถ้าเจอทุกข์แล้วเป็นทุกข์นนะย่าแย่เล ย, ยแต่ถ้าเจอทุกข์แล้วเห็นทุกข์<ม>กำหนดรู้ทุกข์มีปัญญารู้รอดในทุกข์ ก็จะเป็นประตูไปสู่นิโรธเห็นไหมพระเ จ, าจา้าจึงตปลว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้อันนี้แปลเป็นแบบที่เขาแปลกันนะกำหนดรู้ในที่นี้เขาใช้ว่าปริญญาป ร, ปริญญาก็รู้ทั่วแต่คนทั่วไปชอบกลัวทุกไหมะก็พเพรเาเป็นทุกเนี่ยเขาก็เจอทุกก็เป็นทุกทุกครั้งพอก็เป็นทุกนี่เขาก็หมดอะไรแต่อยากชีวิตเขาก็เอ่อเขาก็ เข้าหาเล่าเขาก็เจ้าจุก <c oughs> พราะเขาเจอทุกข์แล้วเขาเป็นทุกข์แต่ผู้เจ้าสอนว่าเจอทุกข์ให้เห็นทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์เจอทุกข์ต้องเข้าใจมันเรียนไงว่าเจอทุกข์ต้องรู้ทุกข์นั่นมันมีทางแยกอยู่สองทาง เมื่อคุณเจอเมื่อคุณเจอทุกข์นัคุณจะเห็นทุกข์หรือคุณจะเป็นทุกข์เห็นทุกข์เจ้านั่นแหละเพราะนั่นเนี่ยและเห็นทุกข์นี่แหละมันจะเป็นประตูพาไปสู่สมุทยัยและจากสมุทัยเราก็จะเห็นนิโรธเพราะเรารู้ว่าเหตุจากทุกข์คืออะไรเราก็จะรู้ว่า<น>การที่จะดับทุกข์ต้องทำอย่างไรเพื่็จะทำให้เกิดเห็นมากขึ้นมา เพาะันเนี่ยชาวพุทธเนี่ยจึงไม่กลัวทุกข์เพราะรู้ว่าทุกข์มีประโยชน์แต่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกข์ให้เป็นคือเห็นทุกข์รู้ทุกขอ์อย่าเป็นทุกข์หลวงพ่อมเขีย น, นยในท่านจสอนเลยนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นป น, นะ พระละหันหลายท่านเนี่ยท่านบรรลุธรรมได้ที่บรรลุธรรมได้รวดเร็วเนี่ยเพราะว่าเจอทุกข์ทั้งนั้นไม่ทั้งนั้นอ่ะก็ส่วนใหญ่บางท่านก็สบายไปเร็วพขโมกขันลานเนี่ยก็เจ็ดวันพระสารีบุตรนานหน่อยสิบห้าวันแต่บางคนเนี่ยต้องเสียลูกนะนางกี่สาภุตมีบางคน<ม>ต้องเสียทั้งลูกทั้งมีทั้งตัวทั้งพ่อแม่จึงจะเห็นบรรลุธรรมใช่ไหะ อย่างนางปตจราบางคนต้องป่วยนะักด้วยโรคที่สังคมังเกียดเช่นพาติสะาบางคนต้องถูกเสือกัดตายแต่ทั้งหมดนี่นะรู้แล้วแต่ลงเอยด้วยการบรรลุเป็นพระอรหันต์<ม>เพราะเจอทุกเนี่ยท่านเจอทุกทั้งก็เลยโอส้สังขานี่ไม่น่ายึดถือเลย คือถ้าถ้าสังถ้าเจอสุขนะมันจะยึดมันจะถ้าชีวิตมีแต่ความสุขนะมันจะโผล่แขนชีวิตนะเพราะยังเป็นของดีไงเข้าใจไหมแต่พอเรารู้ว่าเห็นว่าชีวิตนี่มันเต็ไมได้วยทุกข์เนี่ยมันอยากจะวางเมื่อได้บุคคลมีเพื่อปัญญาว่าสังขารทุกคนเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยได้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เปนหลงนั่นแหละเป็นทางพระนิพพานอันเป็นธรรมบรรจุ คือถ้าคุณเชื่อว่าทุกอย่างเป็นศูนย์เนี่ยจะปล่อยวางทําไมอะใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าในในหีบเนี่ยเป็นทองทั้งอะทองทั้งแท่งเลยเต็มทั้งหีบเลยคุณจะหวแงแหนเป็นไหมนะไอถึงขั้นว่าถ้าเกิดมันตกตกจากเรือเนี่ยอาจจะ ก, กระโดดตามไปด้วยซ้ําเพื่อจะไปกู้มันขึ้นมาซึ่งไม่มีทางกู้ได้ก็จงเอยด้วยกันที่ว่า จมไปทั้งขีบจมไปทั้งคนตายหลายคนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพอเสียบ้านบ้านถูกยึดข่า ต, ตัวตายพอธุรกิจ ล, ล, ะ ล, ะละ่มราลายข่า ต, ตัวตายอันนี้ก็ไม่แต่คนที่พอเห็นหีบสมบัติมันจมตกไปในทะเลโดดตามลงไปด้วยความเสียดายใช่ไห แต่ถ้าเกิเราพบว่าในเีตุสมบัติเนี่ยที่เราคิดเป็นเหสมบัติที่จริงแต่มันเกิดแบงคงเต็งเนี่ยแต่ยังแตยังห่วงแหมเป็นไหมนะทิ้งมันเลยใช่ไหมคุณแบ่มันทําไมวะหวงแหมไปทำไมวะก็นี่ไงคือคนเราเนี่ยถ้าเราเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีสาระอะไรในในความหมายเชื่อมมันไม่มันไม่มีแก่นสารอ่ะมันเป็นทุกข์อ่ะคุณก็ปล่อยวางเอง คุณต <c oughs> ้องเห็นว่าสังขารมันเป็นทุกข <c oughs> like ์คุณถึงจะปล่อยวางหลวงพ่อเกียนที่ทู่บองนะเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์มันก็มันก็ปล่อยวางไงใช่ไมเพราฉะนั้นเนี่ยทุกข์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าเรากลัวทุกข์นะเราหนีทุกข์นะเราขอใชีวิตไม่เจอแต่สุขนะแล้วก็ยากที่จะบรรลุธรรม ทำไมเทวดาเนี่ยจึงไม่มีจึงมีโอกาสน้อยที่จะบรรลุธรรมทราบไหฮะสมัยเทวดาเนี่ยมีโอกาสน้อยมากที่จะบรรลุธรรมทำไมการบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมมีแต่ผู้เจ้าชนาที่เกิดมาในโลกมนุษย์ทราบไะมันมีแต่สุขไม่เทวดาไม่ใช่สุขแล้วมันจะอยากเป็นผู้ทําไมใช่ไหมมีแต่สุขทั้งนั้นน่ะแล้วจะเห็นนิจจังได้ไงไม่เห็นนิจจังเลยเพราะว่าทำมนุษย์อยากเป็นเทวดา เพราะมนุษยดในกาบาสุกเนี่ยมรุษมนเราเนี่ยยังโม่เราก็ติดในกาบาสุกแล้วเรารู้แล้วเราเชื่อว่าเทวดาเนี่ยเต็มไปด้วยกามาสุขที่เป็นทิพย์ใช่ไทิพยสุกเนี่ยเทวดาก็มีอายุขเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วเทวดาตายก็ตกไปในโกเหมือนกันไม่แน่จะรู้ไหมเทวดาเวลาเวลาจะจุดตินะจุติแปลว่าจุดติก็ดับนะจุดติเพ่เพ่แปลว่าเกิดนะ คนบางคนตั้งชื่อโรจุตินะนมันแปลว่าถับ <มา S 1> เวลาเกิดเดือดดาจัยอะเทวดาเวลาจะตายเนี่ยเขาอวยพรเขาอย่างไงขอให้มีล่าไม่ขอใขอมาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาเวลาจะตายโดยเฉพาะในในชั้นกลางรรอวจรเนี่ยก็จะอวยพรว่าขอให้ไปเกิดมาเป็นมนุษย์นะเพราะมนุษย์นษยเนี่ยไม่ใช่ช่วงวีล่าเพราะมนุษย์เนี่ยได้เปรียบกว่า เทวดาหนึ่งมีสติมากกว่ามีความกล้ามากกว่าแล้วก็มีความสามารถในการตอบขึ้นธรรมชาตได้ดีกว่าตรงข้ามของมนุษย์เมื่อนุษย์เวลาตายเนี่ยขอให้เกิดเป็นเทวดาเพราะมนุษย์เราติดการมัสุกเนี่ยเทวดานี่มีเมียเยอะใช่ไภาพเทวดานี่โหมีนางฟ้านะอันนี้เทวดาผู้ชายได้โประชาผี้หงก็คงจะมีผัวเยอะ ห้ารอยเหมือนกันคือเราเราติดในการเนี่ยเราก็เลยใหญ่เป็นโทวดาเพราะเทวาเนี่ยมันอิ่มมันอุดมไปด้วยกาบมะสุขที่เป็นทริปใช่ไหมคือไม่ต้องขมามากินอ่ะอยากได้รันก็โผล่มาใช่ไหมอันนี้คือภาพเทวภาพสวรางที่เราที่เราเขาที่เรากินตนาการ แ, แต่เทวดาให้ก็มีทุกเหมือนกันใช่ไมครับเทวดามีทุกแต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ชัดเจนเหมือนมนุษย์เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทิพย์หมดนะอาหารทิพวรรณทิพนะแล้วก็อายุก็เป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าสุขเป็นส่วนใหญ่แต่เป็นสุขที่เจือไปได้วยทกุก็คือว่ามันมีอายุก็คือว่าพอหมดอายุก็ต้องลง ตกสวรรค์แต่ทําไมเขอผู้ทรงตัดว่าเทวดาใดมีทุกเทวดานั้นมาสู่โลกเออไม่เคยได้ยินนะมาสู่นี้ทํามันมีครับถ้ามาสู่โลกอาจารก็เพราะว่าหมดหมดบุญหมดบุญค <c oughs> ึอไม่ใช่ว่าหมดบุญนะครับครับหมายก็ว่าเทวดาที่มีปัญหามีอ๋อมีทุกแหละแต่ว่าจะลงมาจะลงมาสู่โลกจะลงมาเพราะว่ามาฟังธรรมถ้า ถ้าไม่มีผู้รู้ธรรมก็ไม่รู้จะลงมาทำไมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเทวดาก็มาฟังธรรมแต่ว่าเถามว่าเทวดาบรรลุธรรมมีไหมมีแต่น้อยเพราะว่าสุขมากแล้วก็ติดสูงแต่มนุษย์เราเนี่ยนะมันมีทุกมีชีวิตแบบตุกสุดทุกๆอะ่ะและที่แน่คือความแก่ความชาราความเจ็บความป่วยเนี่ยมันเกิดกับมนุษย์อย่างชัดเจนเทวดาไม่มีเจ็ไม่ป่วยถึงเวลาก็หมดหมดบุญก็ ก็จะตีอายุขเป็นเป็นหมื่นๆปีนะครับใช่นั่นนั่นคือพรหมนะก็เพราะฉะนี่ยพวกนี้จะไม่เห็นเรื่องอนิจจ์พรหมเนี่ยนะพรหมเนี่ยมีมีมิจฉาทิฏฐิว่ามันเป็นนิจจังเพราะว่าย้อนหลังลึกชาไปทีไรก็ยังเห็นว่าตัวเองเป็นพรหมพวกพกาพรหมเนี่ยพวกนี้เขาจะเชื่อว่าเขาจะไม่เชื่อเรื่องอนิจจงเพราะเขาเขาเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยนะย้อนระลึกไปกี่ชาติกี่ชาติก็ยังเป็นพรหม ใช่เปอลูกผมผู้เจ้าเนี่ยก็เลยต้องไปไปคลายหรือไปทรามารทรามารในที่คือเปลี่ยนเปลี่ยนทิฏฐิให้เกิดเป็นสมาธิิิเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือว่าทุกเนี่ยมันมีประโยชน์นะถ้าใช้ให้เป็นไม่เนี่ย ก, กลัวทุกสิ่งที่เราควรจะสนใจคือว่าเราจะเกี่ยวข้องกับทุกยังไงเราจะใช้ทุกยังไง น, นี่เป็นวิชา ที่พุทธศาสนาสอนเราแต่คนสน่วนใหญ่ไม่สนใจวิชานี้นเวลาเข้าวัดก็สนใจแต่ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยใช่ไหมคนไทยส่วนมากไม่ค่อยรู้เรื่องอริยสัจมากสาก <c oughs> <อ>่วรตัวเพราะไม่เข้าใจในเรื่องเพราะส่วนใหญ่เนี่ยครับภาพเนี่ยจะไม่แท่เรื่องมรรคปัจจัยซึ่งมรรคเนี่ยอริยมรรคมีองค์แเป็นผลทางเหตุการ์ดำเนินในความถุขผล แต่พระส่วนใหญ่จะไม่แท้เรื่องอริยรรคจะแท้แต่เรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดเป็นพระองเทวดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทวดาก็อยากกจะไาเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไม่รู้แล้วก็อยากจะไปเป็นเพราะอยากจะปเป็นจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ปากตรงเนี่ยคือคือในสิ่งที่พบตรงตัด ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมฟังแล้วดูแล้วเออถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีการดําเนินในอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเขาพูดองค์แดว่าเป็นทางสุทธพนนี่คือทางดําเนินในการตัดกรรมโดยเฉพาะเลยครับก็เลยก็เลยมองว่าถ้าเรายังคิดอยู่ทางอย่างนี้มันก็ยังจะเป็นทางลกโลกแต่ถ้าเรารู้วิธีก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นเอง ก็จะเป็นการดาเนินที่ถูกต้องอแต่จะหาน้อยมากพี่กูที่จะสอนในขั้นขั้นนี้แล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบในในการฟังเพราะว่ามันเป็นการปัดกระแสโลกคือให้ถึงนิพานครับอันนี้คืออันนี้คือความเห็นของผมครับคือชาวบ้านก็อยากฟังเรื่องที่มันเกี่ยวเรื่อง<ม>เรื่องหู เรื่องความสุขเรื่องความสําเร็จเรื่องพวกเรื่องราภพระก็เลยพูดแต่เรื่องนี้ไม่คยพูดเรื่องที่ขัดกูชาวบ้านนะพูดเรื่องชาวบ้านคือพูดเรื่องที่ชาวบ้านอยากฟังเช่นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมพูดเรื่องความไม่เที่ยงพูดเรื่องทุกนะโดยเพาะอ้นี้ใส่ข้อแรกเนี่ยทุกนะ ก็ในอย่างพวกเราเนี่ยนะเอ่อให้เริต้นโดยการมองทุกในมุมใหม่บ้างว่าทุกนเนี่ยนะมันมีประโยชน์แน่นอนเราไม่อยากเจอทุกแต่ว่าถ้าต้องเจอแล้วเนี่ยนะใช่ไ้มเรัเประโยชน์ อ, อย่าง้อยที่สุดนะ ยอมรับมันก่อนไม่ว่าทุกนั้นคืออะไรแก่เจ็บศูนย์เสียถูกต่อว่าดาทออย่างแรกคือยอมรับนะพอจะไม่ยอมรับจะยิ่งเป็นทุกข์มีคนยังก็พูดดีนะแกเป็นแกเป็นมะเร็งนะตอนนี้แกเสียชื่อไปแล้วเจออายุสาสิบสามสิบต้ น, ตน เป็นมะเร็งที่เฉพาะคนแก่เป็นกันมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหมอเนี่ยหาเท่าไหร่หาเท่าไหร่ไม่ไม่เจอซีซีสแกนก็ไม่พบก่อนจะพบดีมันก็เธอก็เข้าสู่ระยะที่สามเธอทุกข์มากเธอเสียใจมากเธอโกรธมากแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งปีเธอสมกนะแล้วเธอก็พูดไปประโยชน์ผมบอกว่า <c oughs> คือตอนที่จะอเป็นเนี่ยเธอบอกผมความจริงทำโหดร้ายเงี้ยทำไมความจริงมันโหดร้ายแบบนี้แต่พอระยะนั่งถึงปีจะบอกว่าความจริงโหดร้ายกว่าจริงนะแต่การไม่ยอมรับความจริงโหดร้ายกว่าพูดคมมากนะความจริงนั้นโหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงโหดร้ายกว่าเพราะมันเปรียบเหมือนคุกที่ขังใจเราเอาไว้เพราะเธอจะรับมะเร็งได้นะเธอหนีไม่ได ถาว่าปวดไหมปวดแต่ใจสงบและตรงนี้แหละที่มันโอกาสที่ทำให้เราเห็นทุกข์เนี่ยมันมีกับดักที่มันทําให้เราเป็นทุกข์นะเพราะเราไม่ยอมรับเอาเราไม่ยอมรับพวกนี้เป็นทุกข์เลยแต่เราพอย้อนรับมันนะเราจะเห็นทุกข์ได้ง่ายขึ้นเราจะมีสติได้ง่ายขึ้นนะเพราะนั้นก็ฝากาไว้นะว่าเี่ยเมื่อมีทุกข์นะ เรามีเรามีทางเลือกอยู่สองทางหนึ่งคุณจะเห็นหรือคุณจะเป็นคุณจะเห็นทุกหรือคุณจะเป็นทุกนะแล้วจะเห็นทุกได้เนี่ยนะมันต้องเริ่มต้นจากการที่ยอมรับยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วยอย่ามัวบน่นมัววายตีโพยตีพาไม่มีประโยชน์เพราะคุณยิ่งบน่นยิ่งวายคุณนี่เป็นทุกทางที่จะทุกกายก็ทุกใจทางที่จะเสียแต่เงินก็เสียใจ แทนที่จะเสียเวลาพอารถติดก็เสียอารมณ์ไปด้วยเอาไปใช้ลองไปสังเกต ด, ดูนะรถติดนะถ้าไม่ยอมรับมันนะทําไมมันติดแล้วอย่เช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมหมดทุกเลยแต่พอเราเออเายอมรับมันติดก็ติดไปนะล้วก็มันนั่งตามลมหายใจแล้วก็มันนั่งเออ่ฟังเทศธรรมะ ตรงนี้แหละมันจะเป็นงานสุดให้เราเนี่ยเห็นเห็นทุกเห็นความหมุดหมึดเห็นความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นได้ทําให้เร า, าอิสระจากความทุกข์ได้ได้ครับคื อ, อเรื่องที่กล่าวว่าคนเราเมาื่อตายแล้วเนี่ยจะควบคุมจะสุขจะควบที่ดีหรือไม่ดีหรือจิตสุดท้ายก่อนตายนี้ ในที่ของเราอาจจะต้องทําั้งบุญทั้งบาปแต่ว่าทีดสุดท้ายเนี่ยนึยกถึงบุญกุศลถึงพรเนี่ยไ <c oughs> ม่ถูกควบคุมจริงหรือยม่ยจริงทําเพื่อศาสนานะครับคือกรรมเนี่ยรุดแล้วแต่ให้ผลกรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วใผลชั่วแต่ว่าการให้ผลเนี่ยระยะเวลาให้การให้ผลแตกต่างกัน กรรมบางอย่างให้ผลช้ากรรมบางอย่ให้ผลเร็วกรรมบังอย่างาให้ผลทันทีการที่ผลทันทีเนี่ยคืออาชานะกรรมอาสานะกรรมคือกรรมตัวเกี่ยรกรรต่อ ต, อตั้ตอนตายที่จิตสุดท้ายเนี่ยแล้วเพราว่าถ้าจิตสุดท้ายหรืออาชานะกรรมเ ป, ป็นอกุศนก็ไปโดสุกติถ้าเป็นอกุศลก็ไปทุกติถ้างั้นต้องมีคนอีกคนหนึ่ง ไม่เคยทำบุญเลยทำสบากับกรรมแต่ว่าผมเองก่อนที่เขาจะตายสุดท้ายเขกลับพปนึกถึงพระเองเขาเผยสุ่พระภูมิเห็นไหมพระภูอิดีแต่ไม่เคยข้างภูมิกรสุนใช่แต่ว่าแต่ว่าในชางทฤษฎีนะเอาทางทฤษฎีก่อนเขาไปดีแต่ว่าสุดท้ายไอ้กรรมชั่วก็จะตามทันยกตัวอย่างนะ รู้จักเปียบมันก็ว่าอาสาณกรรมเนี่ยมันให้ผลทันทีเหมือนกับวัวที่แม้จะเป็นวัวชาราแต่ถ้ามันอยู่ใกล้ประตูค้อที่สุดพอเปิดประตูค้อปุ๊บเนี่ย <c oughs> มันหอม ก, ก่อนเลย <c oughs> เปรียบให้ใช่สมัยใหม่มาเหมือนก็ว่ารถติดไฟแงดงรถคันที่อยู่หน่าสุดเนี่ยนะจะเป็นรถอะไรก็ตามเช่เนจักรยาน นะพอไฟแดงเปลี่นเ็นไฟเกียวพอไฟแดงเปลี่นเ็นไฟเกียวพุ่งเนี้ยรถจักรยานออกก่อนแต่สักพังเนี่ยส0บล้อมอเตอร์ไซค์ก็จะแซงเข้า <c oughs> ใจนะ <c oughs> อันนี้เหตาพูดทฤษีนะ <c oughs> ให้ทำปฏิบัติให้าำปฏิบัตินะยากให้ทำปฏิบนะัตินี่ยาก <c oughs> คนทาชั่วมันตลอดนะ พอถึงตอนจิตสุดท้ายจะดีเนี่ยยากเราเคยชินกับจิตใช่ไหมได้แล้วก็แรงกรรมมีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านมาบวชตอนแก่ป่วยหนักจะตายพระในวัดก็พยายามน้องให้ท่านได้ถึงพระพณะธตายบอกทานเรื่อยบอกกระถางท่านลึกไปไม่ได้เลยจิตมันมีแต่มันมีแต่ปวดแล้วก็รำร้อ ใจเพราะเป็นหน้าแต่คนที่เคเคยฆ่าตอนเป็นคารว่าใครบกกรรมนี้ ก, กรรมนี้เมื่อคืนนี้มิที่เกิดจากกรรมนายดีซึ่งมันแรงมากนะเคยฆ่าคนเนี่ยแล้วเนี่ยแม้ว่าจะมีคนนำก็ช่วยได้ไหมไม่ได้ หลวงูดูเคยเล่านะหลวู่ดูเพระว่าเป็นโยเคยได้ยินชื่อมั้ยท่านเคยเล่ามีผู้ชาวมีทนึ่แกแกเลิ้งปลาแล้วก็จับปลาเ้วยแล้วก็ชอบทรมานปลามากตอนจะตายเนี่ยน้องชายก็มาบอกอะไรบอกยังไงยังไงเนี่ยแกก็บอกว่าเนี่ยเห็นแต่เห แ, แต่ปลาอยู่ในกระชังพอบอกพุโทโธก็อบอกว่าไอปลาโซบเทโพอยูใ่ในครัวคือมันคิดแต่เรื่องปลาไงนะ เพราะเนี่ยนว่าในทางปฏิบัติเนี่ยยากในทางทฤษฎีเนี่ยเป็นไปได้ใช่การที่จะพัฒนาจิตให้มีให้มีสติปัญญาใหคุณกูิบแบคิที่เชื่อวงปฏิบัติปฏิบัติๆปฏิบัติ่อยๆขึ้นเลยหมายถึงว่าปฏิบัติอีลัขั้นตอนปฏิบัติด้วยการเจริญสติ เจอสติลอยๆให้มีสติรุ่นตัว ต, ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรเป็นอย่างอย่างแต่ทำหลายอย่างพร้อมกันกินข้าวด้วยก็วางแผนคิดไปด้วยอาน้ำไปก็คิดว่าจะปรุงอาหารทำอาหารอะไรเช้านี้ใช่ไหมหรือว่าอาบน้ำไปก็คิว่าเดียเด๋ยวประชุมเดี๋ยวเจอลูกค้าวันนี้จะคุยยังไงดีไม่ก็เปลี่ยนใจอะไรเงี้ยทำเชื่ออย่าง เดินเจ้าเก้าข้าวเท้าคำข้เจ้ายางแล้วิิ ท, วทีการที่จะดึงมันไหมให้มันเลง่ยนออกไปวิธีจะใช้วิธีไหนขึ้นอยู่กับที่จะจทำใองโทรหรือใช้วิธีการจอาบน้ำอาบน้ำอยู่นะอาบน้ำอยู่นะ น, น, น, น, นั่นเป็นความคิดถ้าถ้าวิธีการปฏิบัติขอ ง, ของท่านโอคหรือมเโอเคก็คือว่ า, ม, วามันจะคิดกบคิดไปมีสตริรู้ตัวมื่อไร่ก็กลับมามีสติรู้รรู้ตัวมกลับ ถ้าวิ่งบ่อยสติจะว่างไวเมือนกัว่าคนที่วิ่งบ่อยๆวิ่งบ่อยๆมันก็จะวิ่งเรลวขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนนี่หนูวิ่ง้าหรือเกินนะแต่พขวิ่งบ่อยๆมันจะวิ่งเร็ววิ่งเร็นาเวลาครับก็อาจจะเป็นธรรมชาติมันจะเผลอขึ้นไปรู้เมื่อไรกลับมาแต่อย่าไปอย่าไปพยายามบังคับติตไม่บังคับไม่ได้บังคับเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งต่อไ จิตมันเนี่ยไม่ชอบมังคับเหมือนกับลูกเราถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยยิ่งข้ามเมือนยิง่งู้ใช่ไหมแต่ังคับมันมใช้วิธีธรรมชาติเรียกมันกลับมาเรียกลกลับมากลับมารบ่อยๆ<ม>เป็นการสร้างวิสัยมาให้ ก, กับจิตพอไปจริตที่กับจะพุ่งสร้างมันหน่อย<ม>แต่ต้องใช้เวลานะต้อต้นหน่อยอาจารย์คะอาจารย์สั่งว่าท้ามโพสให้ให้ให้ผู้เห คนเจ็ป่วยกำลังจะตายเนี่ยเขาออกมาจากอาการที่ในการที่เ็บป่วยค่ะก็เป็นมะเร็งกำลังจะตายเมาในการวขอแล้วจะเงให้ให้คให้้ับการักอในขั้นนั้นยากสิ่งที่เราช่วยเขาได้ป็นเรื่องต้นช่วยคลายความทุกข์ใจของเขา คนเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยคนเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยแต่กายก็ป่วยใจเนี่ยป่วยใจในี่น้ิคือความติดต่อกําังเงินความกลัวความเครียดนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันทําให้จิตใจยแย่แย่แล้วมันทําให้ทุกข์มากกว่าความเจ็บปวดทางกายที่จริงไม่ใช่ใว่าคนป่วยนะนะ คนทุกคนในเวลาปวดเมื่อยเนี่ยเราเชื่อเป็นเพราะนั่งนานเวลาเราเหยียบกวดเหยียดถินเนี่ยเราคิดว่าเราเจ็บเท้าแต่ที่จริงเจ็บเท้าแค่อยู่ในสามอีกสองในสามเนี่ยทูกใจเวลาปวดเมื่อยเนี่ยเราเครื่อปวดขาแต่มีปวดขาแค่หนึ่งในสามอีกสองในสามเลยนะทุกใจแต่เรามองไม่เห็น นี่คนใกล้าตายนะคนที่ป่วยหน่อยนี่ทุกข์ใจมากกลัวกลัวตายกังวลยังิตกห่วงรู้สึกผิโดโกรธช่วยคลี่คลายตรงนี้ก่อนจับให้ได้ว่าเขาทุกข์ใจเรื่องอะไรคลี่คลายตรงนี้เนี่ยแล้วความทุกข์มันจะลดทวกเลยเหลือหนึ่งในสาม อันนี้เราพูดในภาพนะแต่จริงๆเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะแล้วคือถ้าให้เขามาดูใจก็ดูไม่ได้หรอกขนาดคนธรรมดาที่อยางให้มาดูใจดูไม่ได้เลยเวลาปวดเวลาหนาวเวลาร้อนเนี่ยจะให้มาเห็นความทุกข์ในา ย, ยากต้องฝึกที่คนป่วยนี่ไงนะต้องช่วยช่วย ค, คลายความทุกข์ใจของเขา S <S นะแต่เพื่อนป่วยบางคนนี่ปล อ, อบญ า, ากนะเจ้าคะเหมือนมือนน้องสาวโยม่ะก็เป็นมะเร็งตนน้งนมแลวลเป็นที่ตนะคะเขาบอกโยมว่าน้องสาวช <c oughs> ี้เยีงยงลยมเชี่วอ้นนะเจ้าคะเขาบอกว่าอ้นฉัน ข, ข, ขอบคุณที่ฉันเป็นโรคนี้ถ้าฉันไม่เป็นไันฉันก็คงไม่ไมหนรุรทำแล้วเขาก็ไม่ทุกข์เลยนะเจา้าคะโยมส่งเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายผมลมหายใจ เ, เขาไปแบบสบายมา คุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าน่าจะทําเป็นเสสทส e s t u เพราะเขาไม่ร้องโอดโอดไ้่ทรม า, มาแล้วมอรฟรีเขาใช้น้อยมากเขาจะไม่ใช้ถ้าจะไม่ใช้เลยนะคะแต่เขากลับกอบลอกเราได้ซ้ำแล้วคต้องพู่กับฉันอืม <c oughs> เขาทําใจได้ ค, คือคนเราถ้ามีความคนเราถ่ามีความทุกข์ใจไงเมอก์ฟรีก็เอาไม่อยู่หมายความว่าจะมีคนบางคนเนี่ยที่กระสรับกระส่ายนะ หมอเชื่อปวดให้หมอฟีไปนิ่งแค่สิบห้านาที<ะ>ก็สับปะสายมา<ะ>ถ้าทุกข์ใจน ะ, ะยาเอาไม่อยู่แ<ะ>ม้จะเป็นยายาระงับปวดหรือยาสลบ<ะ>พื่อลายเนี่ยผ่าตัดหัวใจ<ะ>ไปถึงห้องผ่าตัดแนละ้วลมยาสลบแล้วแกพึ่งนึกได้ว่ายังไม่ด้สั่งเสียเรื่องสำคัญให้กับลูกน้อง ถ้าแกไม่รู้ว่าแกจะรอดตายป่ะยาสลบนี่ไม่ทำให้แกสลบเลย <c oughs> ตายข้าง <c oughs> สุดท้ายต้องขอตอ <c oughs> ขอโทรศัพท์ต้องหมอ <c oughs> ต่างเสียลูกน้องต่อสังเสียเสร็จสลบเลยหลายคนเนี่ยกลัวหลายคนเนี่ยกลัวกลัวผ่า <c oughs> ผ่าตัดเล้งนะกลัว <c oughs> <c oughs> หมอบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะฉีดยาชาให้ฉีดยาชาเสร็จจะไม่ชานะยแต่ชาตอนที่กลับถึงบ้านานเลยคือคุณเข้าใจไหมจิจตมันไม่ธรรมดาคือเ ว, เ, วเวลาเวลาเวลาเวลาเวลากลัวหรือเวลาถ้าวังใจไม่เป็นนะหรือมีความทุกข์ใจนะยาเนี่ยเอาไม่อยู่แต่บางคนเนี่ยนะวางใจดี ทำใจถูกไม่มียาก็สงบอย่างที่คุณว่าอยไม่ใช้มอฟีนก็สงบคเขาจะอยู่แบบเขาอยู่เขาอยู่โรงพยาบาลแค่สิบเก้าวันบังคับเขาเลือกการรักษาแบบแค่ทางเลือกที่สั้นแล้วเราก็บินไปไปเยี่ยมเขาไปอะไรเขาบอกพยายามเขาบอกว่าไม่เป็นไรใช้ให้มันถึงที่สุดจบแล้วก็จุดจบแล้วเขาบอกอะไรอย่างเง้ยนะคะแล้วก็แต่แต่ละวันเขาก็โชคดี ม, มีพ่อแม่ครูบอาจารย์ไปที่ ที่โรงพยาบาลให้เขาได้ตักบาตรทุกวันไปแสดงทําไม้เขาฟังเขาก็อยู่แบบสงบแล้วไปเป็นแบบแบบโรงพยาบาลจิตแพทย์น่ะโยมยืนข้านเตียงเขาแล้วก็บอกว่าเขาเขาก็ไปสบายสบายจนอาจารย์หมอหลว่าเน่าจะทําเพสตาเซียเขาเขาก็ไม่อดไม่ควรปกติที่ทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งสามนะอาจารย์กระท้องกระพวนขนาดนี้นะคะแล้วเขาก็อยู่แบบอยู่อย่างนั้นนะคะที่จะบอกว่าอยู่ยังไง มีคนมากมายที่เขาอยู่กับความเจ็บปวดได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาค่ะแล้วก็ขบอกโยมว่าเช่นมองเห็นกองทุกข์มนอยู่ที่ในเนอนาอ้นใจช่าก็สงบใ่แสดงว่าเขาเห็นทุกข์แล้วเขาไม่เป็นทุกข์เขาเห็นว่าทุกข์ก็ทุกข์ก็เกิดกับกายแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นพูดทุกข์คือมันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีพูดทุกข์นะนี่ก็ได้ยกก็ได้ได้ธรรมาจากน้องโดยร่วมได้มองได้เห็นคือเค้ได้นะ คือแค่เห็นว่ามันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผูดทุกขนะไอ้พูดทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปลูกแต่งขึ้นมาแต่คนส่วนใหญ่ใช่ไม่เห็นไอ้ความรู้สึกก็เป็นพูดทุกข์พราะไม่ค่อยอยู่ใจของตัว เ, เรื่องมีสติมาดีเรื่อยมัดจะเห็นเลยนะอ๋อที่เราพูดมันเป็เพราะเป็นพูดทุกข์ไอ้ที่ไอ้ปวดการไม่เท่าไหร่นะแต่ความเป็นผูป้ปวดน สำคัญก่อนแลวพาเขียนนี่ท่านท่านเป็นมะเร็งนะปีแรกทั้งแรกคือสนะี่เ้าเี่ยท่านปวดมากแต่ท่านก็บอกฉึนว่าความปวดมันไม่ได้มันไม่มันไม่เท่าไหร่ความปวดมันไม่ได้ล ง, ลงโทษเราไอ้ความเป็นผู้ปวดต่งางๆที่มันลงโทษเราให้เห็นความปวดนะอย่าเป็นผู้ปวดเราลองฝึก ในชื่อประจําวันนะเวลาหิวเนีนะหเห็นความหิว อ, อย่าเป็นผู้หิวเวลาหนาวเห็นความหนาวอย่าเป็นผู้หนาวนะเวลาโกรธเห็นความโกรธอยเป็นผู้โกรธนะเนี่ยเป็นการ บ, บ้าคลั่งได้ชีวิตประจําวันเนี่ยโยมไปทําได้นะไม่ต้องเข้าคอสต์ปฏิบัติทำก็ได้นะเอาเอาประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเอาสิ่งที่เจอเนี่ยแหละ สิ่งที่เจอในชีวิประจําวั น, นเป็นหัเป็นดาบสำคัญในการปฏิบัติธรรมถ้าจะฝากเอาไว้ในเรื่องการปฏิบัติธรรมนะที่เป็นพื้นฐานสำคัญมากนะั่นก็คือให้เห็นอยา่าเข้าไปเป็นนะแล้วคุณจะเข้าใจว่าเจออะไรไม่สมหวังถ้าเขาใจเป็นอย่างไรนะนะตัวปัญญาก็จะอยู่ในมันโดยเลยชีวิตเห็นบ่อยๆเห็บนบ่อยๆก็จะเห็นความจริงปัญญา ถึงที่สุดแคือการเห็นความจริงไม่ใช่คิดเอาจะเป็นเห็นความจริงคุณ่อจะเห็นความจริงได้คุณต้องเหน็นของจริงก่อนของจริงคือการหลับใจไม่ใช่เห็นที่ไม่เห็นแสงสีไม่ใช่อ่านหนังสือเพราะหนังสือมันก็ไม่ใช่ของจริงมันเป็นแค่เป็นความรู้ชั้นสองคุณต้องเห็นความคุณต้องเห็นของจริ ง, ง, รงแบบ แบบเป็นแบบเห็นด้วยตัวเองเป็นประจักษ์พยาเนเรีย first hand เห็นความจริง first hand เนี่ยก็คือเห็นใจกับใจนี่แหละที่มันเกิดกับเราไม่ใช่กับคนอื่นนะแต่อ่านหนังสือก็มีประโยชน์นะแต่มันจะเป็นความรู้ชั้นสองเป็น second hand ความรู้ first hand เนี่ยก็คือกายและใจนีน่แหละรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ไม่ว่าสูตรทุกเนี่ยคือประสบการณ์เฟิร์สแฮนด์แล้วถ้าคุณมองมันเป็นนะคุณก็จะเห็นธรรมเกิดปัญญาขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความปิดความป่วยความสูเจอความพัดพลานะมันเป็นประสบการณ์มันเป็นของจริงที่สามารถจะเปิดใจเราให้เห็น เห็นความจริงฉะนี้ที pues ่ว่าไม่ต้องคิดเอาแต่เห็นตนกระทั่งมันก็เรียกว่ามันมันลงไปถึงใจแังนี่แหละปัญญาในพื้ศาสนาเป็นอย่างนี้อาจารย์มีเวลาต่อไหมครับถ้าต่อจะต้องเบรเห็นนาน่าไหร่นานชั่วโมงกว่าแล้วครับช่ว เอาไม่เกินชั่วโมงครึ่งดีกว่าพ่ะวันนี้เรามากว่าท้งวันแล้วต่อวิจเบิกก่อนครับท้องน้ำเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งไงเมื่อไหร่ชั่วโมงครึ่งฮะสิบห้ก็ส5ห้าทีกแล้วกันขอขอโทษโยบญาติธรรมที่จะถามนะทอนเลยทอนเลยขอใช้ไหมเพราะว่าข้างหลังไม่ได้ยินพอพระอาจารย์ท่านตอบก็เลยไม่รู้ตอบเรื่องอะไรนะฮะที่เห็นอยู่บนอด ที่บอกว่าคนปวยมากมากแล้วให้ให้เซ็นให้หมอฉีดยาไม่ไปอเงี้ยเางไงหมอใช่ไหมหมายถึงว่าคนไข้คนไข้เซ็นว่าคือกับป่วยมากมากือไม่ต้องรักษาคนทรมารค้าคนฉีคนตายค่ะมีท่กฎหมายเอ่อคนคนฉีดเนี่นะถ้ามีเจตนาจะให้เขาตาย หรือตายเร็วอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรนติบาตแต่ถ้าเจนตนาให้เขาหายทุกนะอันนียมันจะบาปน้อยแตา่ก็บาปแต่น้อยนะ <c oughs> แต่ถ้าเจตให้เขาตายหรือตายไวๆอันนี้ยมันปรนติบาตโดยโดตรงคร <c oughs> และและ้วตัวคนป่วยที่เจนนี่ มันหมกับค่าตัวตายตัวตายาตัวตายแต่ว่าคือมันอยู่ทใจของทนถ้าเขาเขาจิตสุดท้ายก็เป็นจิตที่เขาไม่ได้มีความโกรธไม่ได้มีความน้อยอมน้อยใจไม่ได้มีอารมณ์ขัดศนเนี่ยมันก็ไม่บาปเพราะจริในสังขารตัวเองเนี่ยจริงๆนะมันเี็ําสอนอันนี้ปกติเขาไม่ไม่เคยไม่เคพูดเลยนะ เออมันมีพระรูปหนึง่งชื่อพระชนะฆ่าตัวตายและเป็นพาาระรหั <c oughs> ก็มีคนไปทูลถามพระเจ้าว่าพระชนะฆ่าตัวตายเนี่ยผิด <c oughs> ไหมพูะ <c oughs> เจ้าบอกว่าพระชนะเนี่ย <c oughs> เมื่อฆ่าตัวตายไม่ได้ยิดในกายนี้และไม่ได้ยิดในกายอยื่นนะจริง จึงเป็นจึงเป็นการจรึงไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายที่ที่ที่ไม่ถูกต้องปุ้ยเงี้ยครับอาจรผู้เจ้าเนี่ยบอกว่าการตายพระชนนเนี่ยเป็นการตายที่ผู้เจ้าเนี่ยยอมรับอนุญาตการฆ่าตัวตายพระชนนะ์พระชนะเป็นโลกนะ แล้วก็ตอนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยท่านพิจารณาสังขารว่าเป็นไตรัฐแล้วท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระราหัสนะเป็นพระราหัสนะจากฆ่าตัวตายแล้วพระเจ้า ก, ก็ไม่ตํางหนีการฆ่าตัวตายว่าช น, นะเพราะเป็นการฆ่าตัวตายที่ไม่ได้ริกายอื่นกายที่ละกายอดนะีก็คือเป็นการฆ่าตายที่ไม่มีความริ้ดมั่นเสื่อมมัน แม่พระอาหารที่ที่บรรลุธรรมเนี่ยหลังจากการข้าตัวตายมหลายรูปนะะลักกลีก็เช่นเดียวกันลักกลีเนี่ยนะในพระไตรปิฎ ก, กในคาถาก็ตาย่เหมือนกันในพระไตรปิฎกคือฆ่าตัวตายนะลักกลเนี่ยป่กกวจยจะไปทูลหาพุทธเจ้าแตไปไม่ไหวแล้วก็บอกให้ลูกศิษย์ไปไปบอกพุทธเจ้าว่าท่านจะฆ่าตัวตายนะ แล้วท่านก็ฆ่าตัวตายพอลูกศิษย์ไปถึงเนี่ยครเจาวก็ทราบแล้วเพราะคนที่ฆ<ว>่าตวตายเพราะเพราะ้าบอกว่าการฆ่าตัวตายคองพระวิษีเป็นการตายที่ไม่สูงกขาข่าบเพราะพระวิษณเนี่ยบรรลุธรรมในพระราหัตนะเพราะคนทีกะเป็นคนที่ป่วยรุนรร้ายแกทรมานมากแกก็เลยเข้าฌานเข้าฌานสบายหายปวดพอฌานเสือ่อมปวดใหม่ ปวดใหม่เข้าชานพอชานหายปวดใหม่ทำงี่หกครั้งทั้งที่เ็ดเนี่ยท่านก็นคิดว่าเนี่ยในเมื่อจะตายเนี่ยขอตายในในในในภาวะที่ชา น, นไม่เสือ่อมเข้าชานเข้าที่เจ็ดพอชานพอเข้าชานเสร็จแล้วว่าออกจากชานปาดคอแต่ตอนที่ปาดคอเนี่ยนะในยก็ตไตรบอกว่า เพราะว่ากฤติพระพระโภธิกาเนี่ยพิจารณาเอาเวทน า, ปนาเป็นอารมณ์ก็คือดูความปวดนะดูความปวดที่เกิดขึ้น <c oughs> ตอนนั้นน่ยเห็นว่าสังขาเป็นทุกมากจิดเชงก็วางบุบพล น, นะก <c oughs> ็ไรู้ความพระรหัสมีพวกปริภารโชคถามว่าพระกภิกาเนี่ย ตายแล้วติดไปไหนผู้เจ้าบอกหาไม่เจอก็คือว่าเป็นผ้หาหลางกช่ไหอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นในพระตาตวิศกที่ปกติเข้าไมา่เคยเล่ากันทั้งหมดใช่ไหมเพราะว่ามันเข้าใจผิดแต่พูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้ให้รู้ว่าไอ้คาพูดที่ว่าการเข้าตัวตายเป็นอนันตเรียกกรรมเนี่ยนะมันไม่ใช่ คนไม่ใช่คนมักคิดว่าฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นกรรมหนักบอก น, นรกห้ามรักชาตินี่ก็ไม่ใช่เพราะว่าคนที่ฆ่าตัวตายและเป็นผ่าร่าก็มีไม่น้อยและมีเยอะนะที่อาจารย์พูดที่แค่แค่ส่วนเดียวน ะ, น ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยออันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาละเอียดอ่อนนะพูดอย่างนี้ไล้วอยไปคิดว่าผู้จัดสรรเสริญการข่าตาัวตาย น, นะเพราะว่าไอ้คนที่ทําได้เ อ, องเท่าคนที่จับเขาวัดปริมาณเนี่ยน้อยมากน้อยมากนะ อาจารย์เจ้าค่ะขออีกนิดนึงเจ้าค่ะ mm hmm. การดับภาษาเนะี่ยคะทำยังไงดับได้เร็วสุดตีต <c oughs> าที่มากระทบเจ้ค่ะช่วยอธิบาย่อยได้ไหมการดับภาษาคืออะไรคือภาษาที่มันมากระทบเนี่ยเจค่ะ อ, อะไรก็ช่างไม่ว่าจะเอในทางปฏิบัติเนี่ยในทางการดับทุกข์มไม่ได้ไม่ได้ ท, ำทํำที่การดับภาษา <c oughs> ตายใหนรูปเนี่ย ปูด้ินเสียงไม่ได้ทำให้ทุกข์แต่มันทุกข์เมื่อมีกระบวนการหลังจากนั้นก็คือมีภาษาแล้วเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาอุปทานภบชาติชร า, า, ามรณะแล้วจึงเกิดทุกขเทวะทุกขาโทรมททรณะผริทุกข์แห่มันเกิดขึ้นหลังจาก กระบวนการปรุงแต่งไม่ใช่เพราะเกิดภาษ า, า, าม ไ, ไม่ได้เหมื อ, อมนเป็นไย่างนี้พุทธเจ้าเคยมีมีคนมีพารามบอกว่าเนี่ยมีพารามก็เคยเขา้าใจว่าทุกจะต้องทุกจะ ต, ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าติดกูศิตาพุทธเจา้าเลยบอกงั้นคนตาบอดหูนหนวก็ไม่ทุกข์เสียใช่ไหมแต่ว่าพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ สิ่งสำคัญคือว่าต้องตัดมงจดเห็นความทุกข์เมื่อเกิดเวทนาอย่าให้เกิดตัณหาอุปาทานตรงนี้เราต้องมีสติและเนี่ยให้มีสติเมื่อเกิดทัศน์สำคัญมาก <c oughs> บางทีรูปที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นรูปที่ชวนให้เกิดราคะ แต่ถ้ามีสตนะิและมีโยนิสโสตามมานำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้พระนาคสมาเนี่ยท่านเดินพิาบาเนี่ยก็ไปเห็นผู้หญิงมีขบวนฟ้อนลำผู้หญิงแต่งตัวสวยงามนะทัดดอกไมนะ้มีการประดับประดาด้วยเครื่องหอมสวยงาม ท่านเห็นผู้หญิงคนนั้นแต่แทนที่ท่านจะเกิดราคะท่านมีสติแล้วก็ท่านเห็นว่าอ๋อเนี่ยคือบวญแห่งมานที่มาล่วงมาล่อให้เราหลงแล้วท่านก็พิจารณานะจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเลยพร<ม>ะลุกุณตะกาพติยะนะกลังเดินพิ่สบายอยู่ก็มีรถม้าผ่านมามีนางคณิกแกวอยู่บนรถ กับชายมือนันทิกาเนี่ยสวยเห็นพระคุณตาการพัทยาเด็กตัวเล็กๆรูปร่างเล็กๆคล้ายๆโกติเอ่ะก็ยิ้มยิ้มยิ้มนี่ยิ้มแบบเห็นฟันเลยพ้ะคุณตาการพัทยาเนี่ยท่านเห็นผู้หญิงคนนั้นและท่านก็เห็นรอยยิ้ม <S S S S S S ท่านก็เอารอยยิ้มเนี่ยของผู้หญิงนี่นะในการ บำเพ็ญฌานแล้วใช้ชานนี้งานมาพิจารณาท่านเป็นพระานาคามีตรงนั้นเลยถัดสากเกิด น, น ะ, ะแต่ว่าไม่เกิดทุกข์กลับไปเกิดปัญญาเพราะมีสติพฏติสสะเดินในหมู่บ้านผ่านบ้านขาบาีเดชที่นี่คนหนึ่งนางทาสีนะกำลังร้องเพลง ร้องเพลงก็ทําน้องเนี่ยความรักเรื่องความไม่แน่นอนชิพมันบอกแน่ดอกนายเนี่ยนะท่านฟังเนี่ย่าพิจารณาท่านบุรลุธรรมเลยเป็นเพราะอะไบุรุษธรรมเพราะเสียงเพลงจากผู้หญิงไม่ใช่เพราะว่าฟังธรรมจากผู้เจ้าเจออะไรไม่สามารถเข้าใจเป็นยังไงเนี่ยเข้ากลับมาตรงนี้เจออะไรไม่สามารถเข้าใจเป็นยังไงนะเจอภาพผู้หญิงสวยนะได้ฟังเสียงผู้หญิงร้องเพลง แต่ใจทัางเนี่ยนะมีสติกลายเป็นดีไปนะไม่ลัวภาอย่าไปกลัวภาษ า, า, า ไ, ไม่กลัวภาษาเลยดับตรงนี้มันน่าจะดับสายปฏิจจารได้หมดเลยลเขาไม่ <c oughs> เขาเข า, เขาไม่ดับตรงนั้นกันเขาไปดับตรงที่ตรงพอเวทนาแล้วตับให้ไม่ให้เกิดตันหัประทานนะตับตรงเวทนานะไม่ปุงเป็นตันหประทานกับมจาจค่ดับนี้แสดงว่าดับแค่สมาธิใช่ไหนะถ้าเราพิจารณาต่อน่าจะ มาถ้ามันทำพิจารณาจบเนี่ยกระบวนการเกิดทุกมันดับตรงนี้คือทัพไอ้ชูสโสกการิเทวะทุกขากรโภมนัตพยาเนี่ยก็ดับไปเลยวเวลาจะใช้สัต่ว่าได้หรือได้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่ความคิดอย่างเดียวนะมันต้องใจมันต้องเห็นด้วยสัตวะสติสําคัญมากกว่านี้ ความรู้สึกตัวจะทําให้ศักดิแต่ว่าศักดิ์แต่ว่าจริงๆเขาด่าเราสักแต่ว่าแล้วก็ศักแต่ว่าสักแต่ว่าแม่คนเมื่อไงนะแต่แต่เปแม่อะโหขอด่าแล้วที่ขอด่าที่เป็นธรรมะแต่ข้างในเขี่ยเมือก็ถือว่าเป็นการข่มใจใช่ไหมคะอย่างนี้ก็ดีเพราันก็ข่มใจมันเป็นการเตือนแต่ว่าใจมันสติมันยังไม่ สติมันยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ไวไม่กล้าแข็งพอมันก็มีแต่เสียงอยู่ในหัวว่าเออสักต่ว่าสักต่ว่าจิตใจมันมันไปแล้วอแต่ว่าดีทำไ่บ่อยทำไ่บ่อยมันจะดีขึ้นมันจะไวขึ้นสติมันจะมารับช่วงต่อโอเค <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ นีใคราาจะ<ไ>ปเป็นตัวแทนขอบคุณพระคุณเจ้า